บทสวดมนต์ที่เราสวดียนไปนสักครู่นะมีความสำคัญมากนะถือว่าเป็นส่วนยอดนะของพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นส่วนยอดที่ต่อยอดจากปฐมเทศนาที่พระองค์ได้แสดงนะในวันเพ็ญ เดินแปดที่เราเรียกว่าบันอาสาราบูชาหลังจากที่พระองค์ได้แสดงธรรมจักกะปตนะสูตรนะซึ่งทำให้ท่านโกนธัญญะได้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสตบันนะผ่านไปห้าวันนะพระองค์ก็แสดงอนัตตลกณะสูตร ก็ส่งผลให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าท่านเนี่ยได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะก็คือมีปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมจ น, จนจิตหลุดพ้นจากความทุกขนะ์อันนี้จึงเรียกว่าเป็นเป็นส่วนยอดนะหรือว่าแกนกลางนะ ในคำสอนของพระเจ้าหรือทีเดียวเมื่อเราสวดแล้วเราก็ลองพิจารณาดูนะว่ามันมีความสำคัญอย่างไรบ้างถึงแม้ว่าอาจจะเข้าใจยากสักหน่อยนะสำหรับผู้ใหม่แต่การที่ได้ฟังเอาไว้นะแล้วก็ได้พิจารณาไปด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ เกิดความเข้าใจนะในบางด้านบางส่วนได้ที่พระองค์ได้ตรัสสอนด้วยอนัตตลักขณะสูตรเนี่ยนะก็เพื่อที่จะถอนความเห็นผิดนะความเห็นผิดของปัจจวัคคีหรือว่าของผู้คนทั่วไปนะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอัตตา สิ่งเท่าไรทั้งปวงเป็นอัตตาพระองค์ก็อธิบายว่าเนี่ยมันจะเป็นอัตตาได้ยังไงในเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะซึ่งก็คือทั้งหมดนั่นแหละสรรพสิ่งเนี่ยสรรพสิ่งทั้งหลายก็ก็นีไม่พ้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าขันธ์หหรือบางทีเราก็เรียกว่าสังขารนะคําว่าสังขารเนี่ยมันมีความหมายหลายระดับนะ ถ้าในในถ้าสังขารที่เป็นส่วนหนึ่งของขันหานี่แปลว่าความปรุงแต่งนะความปรุงแต่งในจิตใจก็คือความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละง่ายๆแต่ถ้าสังขารในความหมายกว้างก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปธรรมและนามธรรมยกเว้นพนิพานนี่พระเจ้าก็เชีเห็นว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันมันมีวันที่จะต้องเสื่อมสลายเนี่ยเรียกว่าเป็นไปเพื่ออาพาธอาพาทนี่คือป่วยนะถ้าเป็นร่างกายก็เจ็บป่วยนะถ้าเป็นนามธรรมมันก็คือเสื่อมสลายนะแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ตามก็ไม่อาจจะบังคับหรือบงการให้เป็นไปตามใจหวังได้ อย่างเช่นเราไม่สามารถจะสั่งให้ร่างกายนี้ไม่ป่วยไม่เจ็บสั่งให้ร่างกายนี้หนุ่มสาวเสมอนะสั่งไม่ได้สั่งจะให้ให้อ้วนให้ผอมนะก็สั่งไม่ไดแ้แม้แต่เวลาปวดหัวสั่งให้มันหยุดปวดหัวก็สั่งไม่ได้นอกจากจะทําเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเช่นกินยาหรือพักผ่อน เวทนาก็เหมือนกันนะอยากจะให้มีแต่สุขเวทนาเกิดขึ้นกับเราก็สั่งไม่ได้เพราะว่าตอนนี้อาจจะเกิดทุกขเวทนาขึ้นก็ได้เช่นปวดเมื่อยสั่งให้ไม่ปวดไม่เมื่อยสั่งให้ความปวดความเมื่อยหายไปก็สั่งไม่ได้นะต่ว่าไปแล้วไม่มีอะไรที่สั่งได้สักอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณตั้งที่ มันอยู่กับตัวเราแท้แท้นี้นภาษาแลวกับสิ่งที่อยู่นอกตัวเช่นสิ่งของหรือว่าลูกคนรักนะสั่งตัวเองสั่งไม่ได้หรือจะสั่งลูกสั่งคนรักนะได้อย่างไรนะคราวนี้เมื่อสั่งไม่ได้แล้วก็เห็นอยู่แท้แท้ว่ามันเจ็บมันป่วยมันเสื่อมสลายไปแล้วมันจะเป็นตัวตนได้อย่างไรน ะ, ะความหมายหนึ่งของ ตรวจตนหรืออัตตาคือว่าสั่งได้บงการได้หรือว่าคงอยู่เที่ยงแท้เป็นนินนรันด์นะไม่แปรเปลี่ยนก็เห็นอยู่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันนะมันก็ไม่คงที่มันแปรเปลี่ยนมันเสื่อมสลายสั่งไม่ได้แล้วมันจะเป็นอัตตาได้ยังไงแ้วพระองก็อธิบายต่อไปว่าเนี่ย ให้เห็นว่าสังขารทั้งห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะเมื่อมันเป็นทุกข์อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรานะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรยึดว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรานะอันนี้ก็มีภาษาบาลีอ่าที่ใช้แทนกันได้คือตันหามนานทิฐิ ตัณหาคือความยึดความอยากว่าของเราหรืออยากได้มาเป็นของเรานะมารณะก็คือความยึดว่าเนี่ยนี่ยนี่คือเรานะทิฏฐิคือความยึดในความเชื่อว่าเนี่ยนี่ตัวตนตัวตนนี่แหละคือเรามัน ค, คล้ายๆกันนะแต่ถ้าถ้าพูดอย่างถ้าใช้คําหรือภาษาของพระพุทธท่าจะเห็นชัดนะ ตันหาก็คือของกูนะคําว่าตัวกูของกูเนี่ยนะตัวกูเนี่ยคือทิฏฐินะของกูคือตันหาส่วนมานะคือนี่กุณณะนะขอเจ้าพพุทธท่านใช้แต่คําว่าตัวกูของกูแต่ว่าที่จริงมันมีสามนะไม่ใช่สองนะนอกจากตัวกูของกูแล้วคือนี่กุณะนะไอ้นี่กุณะเนี่ยคือมานะนั่นเองนะ เป็นการย้ำนะเป็นการการย้ำว่าเนี่ยนี่กูนะหรือที่ท่านที่พระเจ้าท่าใช้คาว่ายึดว่านั่นเป็นเรานะนั่นเป็นเราอันนี้เมื่อเราได้พิจารณาตามอย่างนี้อย่างที่ท่านปัญจวัคคียพิจารณาตามก็จะเพิกถอนนะความยึดมั่นว่า ขันหนี้เป็นตัวตนนะแล้วก็ถอนจากความยึดมั่นว่านะนี่เป็นเราอันะนี้ของเรานะนี่เป็นเราอันะนี้เป็นตัวตนของเราเกิดปัญญาขึ้นมาว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นอนัตตาก็คือว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะยึดว่าเป็นอ่นะ ตัวกูของกูหรือว่านี่กูนะได้เลยนะผู้อย่าภาษาของท่านจากพุทธทาสอันนี้เมื่อปัญญาเกิดคือนแล้วทำไงเกิดอะไรขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นอย่างนี้นะก็เรียกว่าเกิดสัมมทัทติขึ้นมาก็ว่าได้นะแต่เป็นสัมมทัทติขั้นสูงเรียกว่าโลกุตระสัมมทัทติสัมมทัทติมีสองระดับนะ ระดับพื้นๆเนี่ยโลกยิยาสัมมทิฏฐิก็เช่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะทำบุญกุศลแล้วเนี่ยจะเกิดความสุขขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราเป็นโลกิยะสมัมมทิฏฐินะแต่ว่าอีกขั้นที่สูงกว่านั้นเรียวกว่าโลกุตระสมัมมทิฏฐินะก็คือการที่มีปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ยึดว่า นี่ของเรานี่ตัวเรานี่เป็นตัวตนของเราเป็นความเห็นแจ่มแจ้งในสัจธรรมว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาได้เลยมันเป็นอนัตตาทั้งนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพอเกิดโลกุตระสมาธิหรือว่าเกิดปัญญาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตใจก็คือว่าเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัด ก, ก็หลุดพ้นนะทางพุทธศาสนาแยกนะระหว่างปัญญากับจิตนะปัญญาคือความเห็นการเห็นแจ้งนะนะเห็นแจ้งในสัจธรรมนะเมื่อเห็นแจ้งแบบนี้แล้วเนี่ยหรือว่าเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนเลยเนี่ยก็เกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตใจนะเบื่อหน่าย คลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นนะหลุดพ้นนี่เป็นเรื่องของจิตนะส่วนการเห็นแจ้งเป็นเรื่องของปัญญานะอันนีเน้เป็นรายละเอียดนะที่เรารู้ไว้ก็ดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะควบคุมไปนะเรื่องของใจเรื่องนะแต่พุทธศาสนานี่ยแยกใจก็เป็นสองนะคือปัญญากับจิตนะปัญญาเป็นเรื่องการเห็น นะไม่ใช่เห็นเอาตามความคิดนึกอันนั้นยังไม่ใช่ปัญญาแท้รับแต่คือการเห็นตามความเป็นจริงนะก็คือเห็นแจ้งในสัจธรรมเรียกปัญญาเมื่อเห็นเช่นนั้นจิตก็หลุดพ้นนะความหลุดพ้นนะหรือว่าความสบายผ่อนคลายนะสำหรับปุตุชนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของจิตนะเมื่อเมื่อปัญญาพัฒนาเนะี่ยจิตก็ พัฒนาตามก็เกิดความหลุดพ้นคราวนี้ก็ไม่มีทุกข์ละอะไรเกิดขึ้นก็ไม่สามารถจะทําให้จิตเป็นทุกข์ได้เพราะว่าความทุกข์ของจิตเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เกิดจากความยึดมั่นถือมันว่านี่ของเรานะนี่เป็นตัวเรานะนี่ตัวตนของเราหรือยึดมั่นเนี่ยตัวกูของกูเความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นะ ถ้าเป็นความทุกข์ใจแล้วเนี่ยสาวไปสาวไปสุดท้ายก็จะพบว่าโอ้มาลุล้ะแต่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูทั้งสิน้นหรือความยึดมัน่นอันหนึ่งว่านี่นี่กูนะนะนะเช่นลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะ พ่อแม่นี้แม่จะรักลูกยังไงแต่พอลูกทําอย่างนั้นกับพ่อแม่ก็โกรธไม่พอใจนะอันนี้เพราะว่ามานะนะเพราะฉันเป็นพ่อเธอนะฉันเป็นแม่เธอนะทําไมไม่ฟังฉันหรือทําไมมาพูดอย่างนี้กับฉันเนี่ยอันนี้คือมารณนะ์เวลาใครเขาเวลาลูกน้องเขาอาแนะนําเรานะหรือว่าเวลานักเรียนนะ แนะนำครูเนี่ยครูก็โกรธเจ้านายก็ไม่พอใจเธอเป็นนักเรียนเธอเป็นลูกน้องมาแนะนําำีิฉันได้ยังไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นมารนณะคือความถือตัวว่านะฉันสูงกว่าฉันเหนือกว่านะแต่จริงจรงไม่ต้องไม่ต้องลูกน้องหรือคนที่ต่ํากว่าเราคนที่เหนือคนที่เสมอกับเราหรือคนที่เหนือกับเราก็ได้เช่นครูเนี่ยอาจารย์เนี่ยอาจารย์แนะนําเสร็จเสร็จก็ไม่พอใจนะ เพรารู้สึกเสียหน้าหรือนะว่าอัตตามันถูกกระทบอันนี้ก็เป็นเรื่องของมานะเหมือนกันก็นี่กุลนะนะส่วนตัวกูของกูเนี่ยนะมันก็อย่างที่เรารู้กันนะก็คือเป็นเรื่องของความยึดว่าเป็นของเราของเรานะตั้งแต่ร่างกายนี้นะไปจนถึงความรู้สึกนึกคิดว่าของเราของเรา ออกไปนอกตัวรถของเราบ้านของเราลูกของเรานะพอไปยึดเป็นของเราแล้วมันก็ไปสำคัญมันหมายาเป็นตัวเราได้ง่ายง่เช่นยึดว่าเนี่ยรถของเรารถของเรานะไปประมาณรถก็คือเรานะพอขครมาตำหนิว่ารถคันนี้ไม่สวยรถคันนี้เก่า รถคันนี้นะแรงไม่ดีเนี่ยเราก็รู้สึกว่า ต, วตัวตนถูกกระทบไปด้วยนะพอตอนพอตอนนั้นเนี่ยไปยึดมั่นว่ารถเนี่ยมันเป็นเรามันไม่ใช่แค่ของเราเท่านั้นนะแต่มันเป็นเราเลยนะหรือคนที่เขาอยากจะเชิดชู ต, ต, ตัวตนให้สูงเด่นนะเาก็จะไปซื้อของแบรนด์เนมมานะซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์กระเป๋าหลุยวิตตองนะ หรือว่าพวกเสื้อผ้าราคาแพงไอ้พวกนี้เขาซื้อยอมทุ่มเทเงินเป็นแสนหรือบางทีเป็นล้านเนี่ยก็เพราะเขาเชื่อว่ามันจะทำให้ตัวตวนเขาสูงขึ้นเด่นขึ้นมีคุณค่าขึ้นนะบางคนก็ไปซื้อรถเบนมาเพราะว่าขับรถเบนราศัวทำไมตัวเองเนี่ยรู้สึกดูภูมิฐานเกิดความสึกมั่นใจนะ หลายคนเวลาไปจะไปทำธุรกิจนะก็จะต้องขับรถเบนท์ม่นะไม่ใช่เพื่อให้คนหนึ่งเขามองเราว่าเราดูมีภูมิฐานเท่านั้นนะแต่มันยังเป็นการสร้างความมั่นใจกับตัวเองด้วยว่าเออกนะูกูเก่งกูแน่นะกูดีกูเด่นอันนี้ก็แปลว่ารถเนี่ยกลายเป็นตัวกูไปแล้วนะรถไม่ใช่แค่ของกูเป็นตัวกูไปแล้ว แลวความยึดมั่นเนี่ยที่ทําให้ทุกข์ง่ายนะเพราะว่าพอเกิดอะไรขึ้นมากับรถเกิดอะไรขึ้นมากับสิ่งที่เรายึดว่าเป็นตัวกูของกูขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทุกข์เลยนะความพัดพลาดจากสิ่งใดก็ตามทําให้เป็นทุกข์เพราะความยึดมัน่นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเราเป็นของเรานะยึดมาเป็นตัวกูของกู เวลาเราามีความทุกข์ใจเมื่อไรเนี่ยนะให้ลองพิจารณานะดูไปเถอะนะมันก็สุดท้ายก็จะหนีไม่พ้นที่ความยึดมั่นถือมั่นนะว่าเป็นตัวกูของกูหรือยึดมั่นว่า น, นี่กูนะนะเสมอไปนะจะว่าไปแล้วเนี่ย เวลาเรามีความทุกข์เนี่ยมันมีประโยชน์เหมือนกันนะไม่ว่าทุกข์กายหรือทุกข์ใจเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้ไอ้ตัวตัวกิเลสเนี่ยนะมันแสดงตัวเด่นชัดไม่ทําให้เราได้เห็นเลยนะอ้ยความยึดมั่นในตัวองกูเนี่ยมันแสดงตัวมาชัดเจนมากเวลาสบายๆเนี่ยการที่จะเห็นธรรมการที่จะเห็นกิเลสในตัวเองเนี่ยหรือว่าเห็นสัจธรรมนะของกายและใจเนี่ยมันเห็นยากนะ เพราะว่ามีความเพลิดเพลินในในความสุขที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราล้มป่วยขึ้นมาหรือแม้แต่ไม่ต้องป่วยเอาแค่ปวดเมื่อยเนี่ยนะมันก็จะทําให้เราได้เห็นสัจธรรมได้ทีเดียวเลยเช่ขนขณะที่นั่งอยู่ในปวดเมื่อยเนี่ยนะนะมันก็ทําให้เราเห็นแล้วนะโอ้รูปเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าสุขนะนะนะมันเจอไปด้วยทุกขนะ์เนี่ยหรือว่าทุกข์เนี่ยมันแฝงอยู่ในรูปในร่างกายของเรา อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันอาจจะแสดงตัวไม่ชัดในช่วงแรกๆในระหว่างที่ขณะที่นั่งอยูนะ่นั่งใหม่ๆนี่ความทุกข์มันก็ไม่ค่อยแสดงตัวนะออกมาน้อยๆนะแต่พอนั่งไปนานๆความทุกข์มันก็แสดงตัวให้เห็นชัดมันก็ทําเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่ว่าสุขอย่างเดียวนะร่างกายนี้มันมันก็เจอไปด้วยทุกข์นะ หรืก็ทําให้เห็นนะว่าโอ้รูปเนี่ยนะมันมันไม่ใช่ว่าเราจะสั่งมันได้นะมันปวดมันเมื่อยนะก็สั่งมันไม่ได้ว่าให้หายปวดหายเมื่อยนะสั่งรูกก็ไม่ได้สั่งเวทนาก็ไม่ได้นะไอตอนที่ปว่วยตอนที่เจ็บนะตอนที่เมื่อยนี่แหละนะถ้าเราลองพิจารณาดูนะ ก็จะเห็นนะความจริงเรื่องอนัตตานะความจริงเรื่องทุกขังความจริงเรื่องอนิจจังนะแต่ส่วนใหญ่มองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ดูอาการที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเท่าไหร่ตอนนั้นจิตมันหมดแต่บน่นมยวายติโพยตีพายนะปวดเลือยปวดปวดปวดนะหรือแม้กรทั่ทำไมถึงเป็นชั้นนะ ฉันทำอะไรฉันห์ทำความที่ทาไมถึงเจ็บป่วยแบบนี้จิตที่บน่นจิตที่โวยวายตีโพย ต, ยตีพายหรือว่าเอาแต่ต่อสู้กับเวทนาและความปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่มีเวลาจะมาดูหรอกนะว่าความจริงมันได้แสดงให้เห็นแล้ว ที่จริงตอนนั้นเนี่ยจิตเนี่ยมันไม่สามารถจะทําหน้าที่เห็นได้เลยเพราะว่ามันกลายเป็นกลายเป็นผู้เป็นไปแล้วนะเป็นทุกไปแล้วความทุกเนี่ยถ้ามันเมื่อมันแสดงเมื่อมันโผล่มาเนี่ยถ้าเห็นมันนะเกิดประโยชน์นะเพราะว่าจะทําให้ได้เห็นสัจธรรมได้เห็นกายและใจตามที่เป็นจริงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ทันได้เห็นนะ่หรือไม่สนใจที่จะเห็นด้วยเพราะามันเข้าไปเป็นละ นะแทนที่เห็นความปวดความเมื่อยก็เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยแล้วเวลาที่เราปวดเวลาที่เราเมื่อยเนี่ยมันไม่ใช่แค่กายปวดกายเมือ่อยเท่านั้นนะใจก็ปวดใจก็เมื่อยใจก็ทุกข์ด้วยเพราะตอนนั้นไม่มีสตินะตอนนั้นเข้าไปเป็นซะแล้วนะแต่ถ้าหากว่ามีสติเมื่อไหร่เนี่ยนะัจิตมันไม่เข้าไปเป็นนะไม่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อย หรือผู้อย่างนคือก็คือว่าจิตมันไม่ปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ปวดผู้เมือม่อเยเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติหรือเมือเ่อใดก็ตามที่สติเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยนะมันก็จะเห็นความปวดความเมือ่อยว่าเป็นอันหนึ่งนะไม่ว่าจะปวดหรือเมือ่อยหรือเจ็บก็ตามนะก็เห็นว่าเออนี่แหละนะความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นที่กายแล้วหรือว่าทุกเกิดขึ้นที่กายแล้วน มันก็จะเห็นโดยที่ไม่มีความรู้สึกว่ากูปวดกูเมื่อกูเจ็บนะตรงนี้ข้อดีอย่างนี้คือมันทําให้จิตไม่ทุกนะถ้าเห็นความปวดความเมื่อยที่กายเนี่ยจิตมันไม่ทุกนะแต่จิตทุกเพราะอะไรเพราะไปไปยึดว่าเนี่ยไอ้ความปวดความเมื่อยเนี่ยเป็นเป็นเราเป็นของเรานะเป็นตัวกูของกูก็เกิด ตัวกูผู้ปวดขึ้นมาตัวกูผู้เจ็บขึ้นมาพอเกิดอย่างนี้ขึ้นมานะจิตมันทุกข์เลยนะเวลาเราปวดเราเมื่อยเนี่ยให้เราสังเกตดูว่ามันไม่ใช่แค่กายที่ปวดที่เมื่อยนะปล่อยครั้งจิตมันก็จะปวดจะเมื่อยไปด้วยแต่พอมีสติปุ๊บเนี่ยนะจิตมันหยุดเลยมันจิตมันหายปวดหายเมื่อยหายทุกข์เลยเพราะว่าเห็นแต่กายนะที่มันปวดที่มันเมื่อยเท่านั้น การที่มีสติเห็นเนี่ยนะมันช่วยลดความทุกข์ไดนะ้กายยังทุกข์อยู่นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วนะแม้จะป่วยหนักๆแม้จะเจ็บหนักๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเวลามีกองไฟอยู่กองหนึ่งแล้วก็เอาไม้เนี่ยเอาไม้ชื้นๆเนี่ยเปียกๆเนี่ยโยนเข้าไปในกองไฟนะ ไม้นี่มันก็ซักพัก็จะไหม้นะแต่มันก็จะไหม้แบบบิดเบี้ยวนะเวลาเห็นไม้มันบิดเบี้ยวหรือไม้กําลังลุกโพรงเนี่ยเราทุกข์หรือเปล่านะไม้มันดูมันทุกข์มากเลยนะแต่ว่าเราซึ่งเป็นผู้ดูเนี่ยไม่ทุกข์เลยนะในทธองเดียวกันเวลากายปว ด, ปดกายเมื่อยเนี่ยหรือว่ากายมันมีทุกขเวทนาบีบคั้นเนี่ย ถ้าเป็นผู้ดูนะก็ไม่ทุกข์ที่ใจนะเพราะว่ากายมันก็เหมือนกับไม้คือมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะเวลาเราเห็นไม้ที่มันถุกไฟไหม้เนี่ยนะเรารู้รอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรานะพอมันไม่ใช่เราเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าไปยึดว่ามันเป็นของเราเมื่อไหร่นะทุกข์เลยนะเช่นไม้เนี่ยโอ้ไม้ไม้พยุงนะซื้อมาราคาแพงนะ แล้วก็มีลวดลายสลักด้วยนะพอประยืดเป็นของเราเนี่ยโอมันทุกเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ของเราแล้วมันเป็นตัวเราแล้วนะใจทุกเลยแต่ถ้ามันไม่ใช่ไม้ของใครนะเราก็ไม่ทุกนะเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในท้องเด็กกันเวลากายที่ปวดกายที่เมื่อยเนี่ยถ้าเป็นผู้ดูเฉยเนี่ยมันจะถอนความยึดมันว่าไม่ใช่ ถอนความยึดม า, าเป็นราเป็นของเราไม้มันร่างกายจะปวดก็ปวดไปนะแต่ใจไม่ทุกนะเหมือนกับเราดูไม้ที่กำลังถูกไฟไหม้นะการเป็นผู้เห็นเนี่ยมันมันมันช่วยทำให้ความทุกข์นะของกายหรือความทุกข์ที่เกิดกับวัตถุสิ่งของเนี่ยมันไม่มาไม่มาบีบคั้นใจได้ใจก็ไม่เป็นทุกข์ การเห็นนะไม่ใช่ผู้เป็นเนี่ยมันทำให้ใจไม่ทุกข์และต่อไปก็ทำให้เกิดปัญญาด้วยพอเห็นไปเรื่อยๆก็จะเห็นโอเห็นแจ่มชัดจริงๆนะว่านะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะมันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตนเลยนะความเห็นอย่างนี้แหละนะที่ทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าท่านในท่านบรรลุธรรมนะเพราะว่าเกิดปัญญาเห็นแจในสัจธรรม เห็นเนี่ยมันถ้าเห็นเนี่ยมันไม่ช่วยมันนอกจากจะทําให้ไม่ทุกข์แล้วนะมันยังทําให้เกิดปัญญาด้วยและปัญญาที่เกิดขึ้นอย่างแจ่มแจ้เนี้ก็จะช่วยนะดึงจิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์นะเพราะว่าจิตนะพอปัญญาเกิดนะความหน่ายควายกําหนัดก็เกิดขึ้นนะแล้วจิตก็หลุดพ้นเพราะฉะนั้นเรื่องการการหมั่นดูนะ ดูกายดูใจเนี่ยนะเป็นเป็นสิ่งสำคัญมากนะเป็นหัวใจของการภาวนาแบบพุทธสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันเป็นหัวใจการภาวนาแบบพุทธการภาวนาแบบพุทธนี่มีหลายวิธีนะการเจริญอนุสติให้เกิดพุทธานุสติธ ร, รมานุสติสังขานุสติเพื่อเพิ่มพูนศรัทธานี่ก็เป็นภาวนาหรือกรรมฐานแบบหนึ่ง การเจริญมรณาสติเพื่อให้เกิดความไม่ประมาทเพื่อให้เกิดความภาคเพียรนะก็เป็นการภาวนาแบบพุทธอย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อเราพิจารณารับวจาให้เกิดความกระตือรือล้นเกิดความภาคเพียรความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะ พอเจอรมรณสติแล้วเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดความเพียรอันนี้ก็เป็นภาวนาแบบหนึ่งนะการเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นในใจนะเพื่อจะได้รู้จักให้อภัยหรือว่าทำให้จิตเนี่ยเป็นกุศลเกิดความผ่อนคลายสงบเย็นอันนี้ก็เป็นภาวนาแบบหนึ่งในพุทธศาสนา แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยน ะ, ะยังไม่ยังไม่ถือว่าสำคัญเท่ากับสติปัฏฐานสี่นะแต่ถึงแม้ว่าจะสำคัญรองลงมาแต่ก็มีประโยชน์นะที่เอามาใช้หนุนให้เกิดความใส่ใจในการเจริญสติปัฏฐานสี่ได้เอาสติปัฏฐานสี่นี่ก็คือเรื่องการดูกายนะดูเวทนาดูจิตดูธรรมหรือผู้เจายออสั้นๆเอาที่เป็นหัวใจคือดูกายกับดูใจ งั้ถ้าเราใช้สตินี่เข้ามาดูนะดูกายและดูใจไม่ว่าในยามสุขในยามทุกเนี่ยม่ทำให้เราเกิดปัญญานะมากขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องไปดูสิ่งนอกตัวก็ได้แต่ถึงจะดูถ้าดูเป็นนะก็เกิดดวงตาเห็นธรรมได้เหมือนกันนะอย่างที่พระอรหันต์บางท่านท่านก็ ท่านเห็นดอกบัวที่ร่วงโรยนะท่านก็น้อมเข้ามาใส่ตัวว่าสังขารร่างกายหรือตัวเราก็จ ะ, ะเสื่อมสลายไปเหมือนดอกบัวเช่นกันมันเป็นอนิจจังนะท่านเห็นอนิจจังนะแล้วก็โยงมาสู่ทุกขังอนัตตาเนี่ยก็จากการเห็นนะสิ่งนอกตัวแต่เห็นอย่างอย่างเห็นอย่างมีสตินะ อย่างมีโยนิโสมนสิกการคือรู้จักมองก็ทำให้เกิดปัญญาได้แต่ว่าสิ่งภายนอกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นอะไรต่ออะไรได้ง่ายๆนะดอกบัวไม่ใช่ว่าจะหาได้ตลอดเวลาแต่กายและใจเนี่ยมันสแสดงทำให้เราเห็นตลอดเวลาโดยเพราะเวลาป่วยนะหรือว่าเวลามีอะไรขัดอกขัดใจนะ คนก็ทําไม่ถูกใจเราเราเกิดความขุนเคืองขึ้นมาไอภาวะนั่นแหละนะที่มันจะสอนทําให้เห็นให้เห็นทุกข์ได้ถ้าทุกคนทําตามใจเราหมดนะมันจะเห็นทุกข์ลาบากนะถ้าดินฟ้าอากาศเนี่ยเป็นไปตามใจเราหมดนะสบายทุกอย่างสบายเนี่ยมันจะเห็นทุกข์ยากนะนะคําว่าทุกข์ขังเนี่ยจะเห็นได้นะก็ตอนที่ เกิดความรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่มันไม่เป็นไปตามใจนะเกิดความรู้สึกขัดอกขัดใจขึ้นมานั่นแหละที่ทุกครั้งเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นและตรงนี้แหละที่มันจะทําให้เกิดปัญญาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราต้องขอบคุณนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นความเจ็บความป่วยที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันสอนธรรมได้นะหรือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามหาประโยชน์จากมัน ไม่ใช่เอาแต่วอยวายตีโพยตีพายหรือว่าบนกลนดาชะตากรรมรู้จักมองมองให้ดีนะอย่าเข้าไปเป็นนะมันก็จะเห็นธรรมได้อชาวนี้เพียงเท่านี้นะอลครับ